อันธมยังโอวาทปาติโมกขาทายปนามเสนสัพา พ, า พ, าพาะปาปสาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลสุปะสัมปาธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคันติปารมังตาโปติติค้าคันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลส จ, จางยิ่ง นิพพานังปรมังวะาทันติพุท ธ, ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปาชิโตประรูปปคาติผู้กรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมโนโติป ร, รังวิเททยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปาวาโตอนุปาคาโตการไม่พูดรายการไม่ทำร า, ารปาติโมเขจะสร้างวโรการสำรวมในปาติโมกมาตันยุตาจพัตัสสมิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะศยนาสานังการนอนการหั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตจาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสะสานัง ทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย